50 languages. Ninety-six. Chia na ve. Kam santi san. Samuchya Bodhak ten. Di chhan. Ja Jive hi kadi da alarm vajda hai. Ma utda ha. जीवे ही क ด़ी द ाลาร์มวัจดาเหรอแม่ขดดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือ जीवेही मैं प เดลลกดาฮะแุทหกอันโฮจันดีเหรอจีเวหีแม่พเดลลกดีฮะแุทหกอันโฮจันดดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบ คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ตัวคุณจะโทรมาเมื่อไหร่ทันทีที่ดิฉันมีเวลาจีเวหิเมนุกุจิสมาไม่ได้เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา ज จวे ह ์อยู่ถ้าเขาได้เวลาหนึ่งเขคุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ त ั स ी कद งใดจ क กว่าดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้จนกว่าจะทำงานฉันจะทำं ग ी ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่จนกว่าจะมีเศษชงีให้ฉันจะทำงานจนกว่าจมีเศษชงกีให้ฉันจะทำงานเขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงานโอ้กำลังขันธ์ที่บันทึกบิดเบือนตัวเองเธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว โอ้ข้าวนาบ้านดนเั่ขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้านโอ้ค่าร์ว้าปัสจานดนเดบจาย์อาเวเท่าที่ดีฉันทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่จิเทตักเมนูพตาเหตุโอเอเเท่าที่ดฉันทราบภรรยาของเขาไม่สบาย ज िเทตากเมนูพตาเหรออดีตภรรยาป่วยเหรอเท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงาน ज िเทตากเมนูพตาเหรอโอ้เบรุสก้าร์เหรอดิฉันนอนหลับเพลินมิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลาเมื่อสรียกยาไหนแต่เมื่อสัมเทต์อาจันดาเรียกไงแต่เมื่อสัมเทต์อ ดิฉันพลาดรถเมย์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา मेरी बस छ ชด गई नहींत ัยน์ตาแม้สเมตย์ทยาจันดาเมรีบัสชดตกย์ไงไนัยน์ตาดีิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลาเม न ู र ัศดาไม่มิเลี य ा न ह ीं त า मैं स म य ตे आ ज ाาจันดาเมนูรัศดาไม่ ม, ไไมิมเลียนัยน์ตาแม้สเมตย์